พระธรรมเทศนาแผ่นที่98ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากตันยูรู้คุณคนเอาวันนี้เป็นวันพระ ขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเราพวกเราเข้าพรรษามาเป็นวันพระที่สามวันนี้นั้นต่อ น, นี้ไปก็ให้ผู้นำทายกเป็นผู้กล่าวพาไหว้พระสมมาทานสิน้นเริ่มครับอิมินาสกาเลเฮนา อังพุทธทางอภิปุชยามาวันนี้เป็นวันพระที่ที่สามที่พวกเราเข้าพรรษามาแปลว่าถ้าเรารักษาศีลวันนี้เรายังเหลืออยู่9ก้าวันเพราะว่าสามเดือนสี่สามสิบสองเดือนมึงมีสี่วัน สามเดือนก็นมีสิบสองวันถ้าเราถ้าเรารักษาวันนี้แล้วก็ยังเหลืออยู่เก้าวันคณะให้รักษาสัจจะให้ตลอดลอดฟังอย่าได้โกงหกตนเองเอพูดง่ายๆแต่ถึงยังไงถ้าเรามีภาระธุระก็ให้ตั้งใจเอาไว้ว่า ข้าพเจ้าจะเบิกถอยหลังเอาเถอะข่าวนี้มันพลาดไปเพราะมันมีธุระจำเป็นสำคัญที่ที่เราห ล, ล, ลีกเล่นไม่ได้แต่ข้าพเจ้าจะต้องรักษาศินเพิ่มขึ้นอีกตามที่มันขาดอันนั้นแปลว่าปะชุนตรงที่มันขาดไม่ใช่ว่าขาดแล้วก็แล้วไปไปว่าขาดทัจจาะคือความตั้งใจเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่าน ในเมื่อทั้งตั้งสัจจะอะไรอะไรลงไปก็ให้รักษาสัจจะจุดนั้นเอาไวา้ไม่ใช่ว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วก็โกหกตนเองเอโกหกคนอื่นจนอพอแรงแล้วผลในพธ์สุดก็มาโกหกตนเองหรืออาจจะโกหกตนเองจนพอแรงแล้วก็โกหกสิ่งที่เราที่ตั้งสัจจะเอาไว้อีกก็ไม่น่าจะถูกมั่นกันนะ ให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจคนที่มีสัจจะความจริงจังและจริงใจนั้นจะเป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าคนหลาะและล้มเหลวไม่มีสัจจะพูดโกหกไปโกหกมาตอแหลตอแหลไปตอแหลมาจะหาความสัต์จริงไม่ได้จะเป็นคนจริงจังและจริงใจไม่ได้จะหาจะเป็นคนดีไม่ได้ต่อไปในอนาคต พระนักพรฝากไว้กับพวกเราพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพวกเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องมีสัจจะนะคณะสัตายาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกอง น, นั้นทุกค น, นต่อในไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศินนะโมตัสสะภควะโตราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสธาเยอ<า>ต่อนี้ไปตั้งใจฟังมีอะไรหลวงพ่อจะบอกกล่าวเรียนให้ท่ททาทราบวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันพระ ขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าและก็พร้อมกันวันพรุ่งนี้เป็นวันพระราชสมภพเป็นวันพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือวันเกิดของพระบรมราชินีที่เป็นประทุกที่เป็นประมุกของประเทศเทั้งฝ่ายาแม่เป็นวันแม่ เป็นวันแม่แห่งชาติวันที่ห้าเป็นวันพระบาทิ่งเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อวันที่ห้าธันวาวันนี้เป็นวันที่12บสองสิงหาวันพุ่งนี้นะสิบสงสิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านวันแม่แห่งชาติเราก็ควรทำตนอย่างไรให้เป็นคนเป็นคนดีเพื่อบูชา สนองตอบแทนพระคุณของแม่และก็พร้อมกันวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดขององค์หลวงตาหาบัวอีกถึงองค์หลวงตาจะจุตินิพพ า, านไปแล้วก็จริงแต่คุณงามความดีขององค์หลวงตายังฝังอยู่ในจิตใจของสิทธยาุสิทธิ์ทั้งหลายหลวงพ่อเป็นต้นเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ทาไมมีอะไรหลวงพ่อขอ ง, งจะเข้าไป ฉันอาหารหรือตัวไปบินทบาทหรือตัวไปฉันร่วมกับหมู่คณะสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายที่วัดป่าบ้านตาดก็พร้อมกันก็คงจะได้ถือเครื่องสักการะดอกไม้เข้าไปกราบคารวะกราบองค์หลวงตาตากาบคุณธรรมขององค์หลวงตาที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิทธิพวกเราได้ประมาทพลาดพรัง้ง องหลวงตาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งอดีต ท, ทั้งมาถึงปัจจุบัน เ, เราก็จะได้ขอขมาลาโทษถึงท่านจะ จ, จุตินิพพานไปแล้วก็จริงแต่บางครัง้งบางคราวเราทำอะไรอาจจะล่วงเกินในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมถูกต้อง เ, อเราก็ขอกราบคารวะในส่วนจิตใจลึก ของเราที่เราได้พิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วพวกเราจะไม่มีการประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะพยายามทำให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นธรรมที่สุดแต่ว่าการกระทำของนั้นเรื่องนั้นเอพอมันเป็นบางสิ่บงบา ง, บางอย่างมันเป็นโลกสมมติอาจจะได้พังเผือพังพลาดไปเพราะท่าน อ, าองค์ทวงตาท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองเพราะนั้น วันพรุ่งนี้พวกเราคงจะได้เข้าไปกราบคารวะเอาดอกไม้ธูบเทียนไปสัมมาคารวะทำวัดตามประเพณีในช่วงในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในเมื่อท่านยังมียังทรงทาดขันอยู่ยังมีท่าตขันอยู่เราก็ได้เข้าไปทำวัดพร้อมกันในวันที่วันสิบสองสิงหาทุกปี บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายแต่ถึงหลวงตาจะจุดติเนรพานไปแล้วพวกเราก็ที่เป็นศิษยานุศิษย์โกโลนจะเข้าไปการาบคารวะตามที่เคยปฏิบัติมาแต่ทั้งยังไงตอนเย็นวันนี้พวกเราศรัทธาญาติโยมผู้สมาทานศีลทุกท่านหรือว่าผู้ไม่ได้สมาทานผู้ที่ได้ยินเสียงที่ศรัทธาญาติโยมอยู่ ข้างวัดหรว่าอยู่ใกล้วัดของเราที่มาสะดวกลตลอดพระสงฆ์ในวัดของเราก็จะมีการมว่ายพระแล้วก็จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในวันสมภพของพระบรมราชินีในเย็นวันนี้นะหลวงพ่อจะพาทําวัดสวดมนต์แล้วจานั้นก็ถวายเป็นพระราชกุศล พราพวกเราอยู่ห่างไกลก็ไม่รู้ว่าจะถวายอะไรให้กับพระ อ, องค์ท่านนอกจากคุณงามความดีนอกจากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นการถวายพระ อ, องค์ท่านพระ อ, องค์ท่านก็คงจะไม่ต้องการเพราะพวกเราก็เป็นผู้ยากจนอยู่แล้วแต่พวกเรามีน้ําใจสิ่งไหนที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีเราจะสนอง ทําเป็นเครื่องสักการะถวายพระ อ, องค์ท่านสิ่งคิดที่สิ่งไหนก็ตามที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีผศกนกองทุกโมเหล่ากูบไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะท่านมีค้อหัประการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมามากต่อมากจนพระ อ, องค์ก็เข้าสู่วัยชราไม่ชราได้ยังไงเพราะพระ อ, องค์ท่านอายุ เออสิบสองเจ็ดรอบเพราะจ็นั้นพระองค์ก็ได้ทำโขนอุปการพร้อมกับพระองค์ทั้งสองพระองค์พร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ดูที่โครงการพระราชดําริมีกี่กี่มีกี่อย่างเขื่อนมีกี่เขื่อนมีมากมายในเมื่อพระองค์ยังทรง แข็งแรงอไปดูตรวจตราดูประเทศชาติประศกนิกรพวกหมู่เราได้รับความเดือดร้อนพระองค์ได้มีพระเมตตาช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติมาจนถึงกาปานี่แหละถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงปูช่วงทวดของพวกเราแล้วอช่วงท่านจะได้พักพักผ่อนละพราะนั้นพวกเรามีอะไรอ ที่เดกเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยที่พระ อ, องค์ได้ปูทมสร้างาสิ่งที่พระ อ, องค์ทำให้กับพวกเราหรือว่าพวกเราบางท่านบางคนก็มองไม่เห็นนะาบางคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นคุณงามความดีของคนอื่นอมองคุณมองหาคุณงามความดีไม่เห็น ในพระคุณของพระ อ, องค์ท่านเพราพูดอย่างนั้นก็อย่างวามันมีหลายหลายคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณยิ่งบางคนก็มองไม่เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อมาอีกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่บางคนก็มองไม่เห็นอีกมองไปเห็นพระคุณของพ่อของแม่อีกทั้งที่ท่านเลี้ยงมา มีแต่ความอิจฉาพยาบาทกับพ่อแม่ของตนเองหาว่าไม่รักตนเองหาว่ารักคนอื่นมากกว่าพี่น้องคนอื่นมากกว่าอิจฉาพยาบาทในพ่อแม่ของตนเองเพ้อเพ้อขนาดนั้นทำร้ายทำลายเอาแต่ใจตนเองอย่างนั้นก็มีมากต่อมากเพราะเหตุไรสรุปแล้วเราพูดได้เลยตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธผู้มีปัญญา ผู้มีความปัญญามีความมีน้ำใจมีคนมีปัญญาย่อมระ ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมี ผ, ผ, มผู้เป็นผู้มีพระคุณต่อโลกอย่างไรจะบาลายาย เ, เกิดมาชาตินี้บาลายายก็ไม่มีที่สิ้นสุดตายไปก่อนก็ยังบาลายายอย่างไม่จบพระคุณของพระพุทธเจ้า เ, เกิดมากี่ภพกี่ชาติบาลายายก็ยังไม่จบ พ่อปกคุณของบรุเจ้ามีมากหมายมหาศาลปักคุณของพ่อของแม่ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันที่ท่านเลี้ยงดูเรามาท่านอุ้มท้องมากี่เดือนจนได้คลอดออกมาท่านเลี้ยงดูเรามาไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าหรือ ว, ว่ารักยิ่งกว่าลูกก่อนที่จะลูกใหญ่ขึ้นมาแต่พวกเราใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่รู้จักปักคุณของท่านเพราะเหตุไร ท่านบอกว่าคนที่ไม่มีปัญญายอมระลึกถึงบุญคุณคนไม่ได้ถ้าคนที่มีปัญญาแล้วยอมระลึกถึงบุญคุณของคนได้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าใครไม่ถ้าถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วก็ระลึกไม่ได้ถ้าคนมีปัญญาแล้วระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอไม่มีประมาณ และเลกเท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทิศ ไ, ไม่มีจุดจบพระคุณของพระพุทธเจ้าจนกว่าตนเองได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเมื่อไหร่การนั่นแหะพระคุณของพุทธายาวยิ่งท่วมท้นในจิตใ จ, จอีกต่างหากทีนี้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบในหลักธรรมคําสอนออพระคุณของพ่อแม่ก็เหมือนเหมือนกันผู้มีปัญญามากก็ยอมระลึก ถ, ถึงบุญคุณของพ่อของแม่ได้มาก ถาว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยก็ระลึกถึงบุญคุณของูพ่อแม่ได้น้อยนะถ้าผู้ไม่มีปัญญาเชลยนะระลึกถึงบุญคุณของใครไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคำว่ากตัญญูกตวเวทิตาคำนีนะ้ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านถือมากาท่านให้ความสำคัญอย่างมาก อ, าอย่างในคลังพุทธการ ที่พวกเราได้ศึกษาในพัทในพัทไรปิฎกนะสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งตะก่อนก็มีฐานะพอมีอันจะกินต่อมา ก, กระตกต ก, ตกกข์ธรลํลำบากเพราะสมบัติมันสบัดไปสบัดมาจะดรวยตลอดไปเป็นไปไม่ได้บางทีคนจนกับรวยบางทีคนร ว, วยกับจน มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละสมบัติพะสถานแต่ในพราหมณ์คนนั้นเขอยู่ในตกในโลกธรรมเหมือนกันนะ อ, อยู่ในโลกธรรมพอต่อมาท่านก็เป็นพราหมณ์คนนี้เป็นผู้ไปท ำ, ทำพิำพ ธ, ธีกรรมสงสะดรเคาะหรือว่าไปทำพิ ธ, ธีพิธีพราหมณ์น่ะเอ ท่านอายุแปดสิบปีเดี๋ยวก็เนี่ยแหละพอท่านไปดำตะก่อนหน้านี้เห็นภาษาเรือบุตรไปบินทบาทเพระาะภาษาเรือบุตรก่อนเห็นว่าเป็นญาติคงจะเป็นเพราะเป็นพรามณ์ด้วยกันเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาคงจะรู้จักมักคุ้นกันแต่พอเห็นภาษาเีืบุตรมาบินทบาทโอ้จะทํำยังไงเนอะอยากจะใส่บาทพระผ้าลูกจริงๆ คล้ายๆก็ถือว่าเป็นโลกนะแต่ข้าพระเจ้าไในยากจนจริงๆแต่อยากจะทําบุญกับพระลูกของเราแต่ไม่มี อ, อันไหนที่จะใส่บาทแต่วันหนึ่งท่านไปทําพิธีกรรมพอได้พิธีกรรมแล้วก็มองเออหลวงพระลูกชายกูบาลูกชายเนี่ยไม่หมายบินทบาทแถวนี้บางเล่อเนี่ยพระสารีบุตรก็ได้ไปบินทบาทพระบินทบาตทพรทามณพลนพักรักตัด ข้าวที่ตนเองได้ไปทําพิธีกรรมมานะใส่บาดพระสาลีบุตร1ทัพพีนะใส่ทัพพีเต็มทัพพีใส่บาดพระสาริบุตรจากนั้นก็ผ่านไปและะ้วไงพามตอนนั้นก็ไปทําต่อมาพามคนนั้นก็เลยเข้าไปอยู่วัดไง เ, เหมือนกับวัดในะเป็นสถานที่ดูแลคนแก่ลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะคนแก่ที่ไม่ได้ไปที่ไหนแล้วก็เข้ามาสู่วัด ตอนนพราหมณ์คนนั้นเขเข้ามาสู่วัดก็เป็นผู้ดูแลอายุ80ปีแล้วก็เนี่ยล้างบาตรล้างถ้วยล้างชามทาความสะอาดปัดกวาดที่ตนเองพอที่จะทําได้พราหมณ์คนนั้นก็ทําพอเขามาอยู่วัดตอนนี้พอทําไปทําไปเนี่ยพราหมณ์ตัว น, นี้เห็นพระสงฆ์ทั้งหลายท่าน ทำสังฆกรรมทํากิจกรรมทํากิจวัตรข้อวัดเสร็จแล้วทั้งขอ้อไปภาวนาของใครของเราพราหมณ์คนเ อ, เ, อเองจะทํำยังไงเนาะข้าจะทไมอยากจะบวชแล้วเกินแต่มองดูตนเองแล้วก็เป็นพราหมณ์แก่อีกต่างหากแล้วก็ไม่มีใครที่จะสนับสนุนอีกต่างหากจะหาบริขารจะหายัางไงจะหาบาตจีวรก็ไม่รู้จะหาจากใครสมัยนั้นหายากบริขาร น, นะ แต่คิดในใจคิดอยากจะบวชมาอยู่ใหม่ๆก่อนรู้สึกกระตือหรือล้นทำกิจกรรมกิจการอย่างเขาดูสึกขาหน้าตาสดใสพะคนแก่มาอยู่วัดดูรับใช้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พออยู่ต่อมาต่อมาเนี่ยพราหมณ์คนนั้นคิดหนักคิดหนักอยากจะบวชจนร่างกายผายผอมหน้าเสียดหน้าเชียวเขาเลยเนี่พราะคิดขนคิดมากไง แต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าพรามโยมพรามเป็นไงไม่สบายหรือทำไมดูๆแล้วหน้าตาชีด์นะสบายดีอยู่ครับก็ไม่มีอะไรครับกินได้นอนหลับอยู่นะครับก็ปกติอยู่ครับแต่ในใจไม่ปกตินะแต่ร่างกายนี่ปกตินะ่ะพอต่อมาเหลืออดเหลือทนเลยก็เลยบอกให้กับพระบอก ร่างกายของผมก็ปกติดีอยู่ครับกินได้นอนหลับอยู่แต่ผมอยากจะบวชครับนะออผมอยากจะบวชนะแต่ผมก็อายุมากแล้วแปดสิบปีแล้วแต่ผมอยากจะบวชครับนะออพอได้ยินเทนั้นพระ ส, ส่งก็เออทำยังไงวะยพราหมณ์แก่อยากจะบวชนะบวชได้หรืออายุแนะปดิบเนี่ยพระพุทธเจ้าอนุมัติอนุญาตหรือเปล่านะใน พ่อตกรถ้าใครทําผิดพระพุทธเจ้าจะบัญญัติวินัยนะพิกจุใดก็ตามบวชให้คนแก่ตั้งแต่อายุ80สิขึ้นไปปรับอวิทุกกฎใครใครก็ไม่อยากจะเป็นต้นบัญญัติเอรใครๆไม่ใครก็ไม่อยากจะถูกตํำหนิในจุดนั้นก็ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะทําอะไรก็เลยนำํคำคํานั้นละ่ะไปบอกต่อต่อกันอพอคํานั้นต่อต่อกันทีนี้ก็ไป ถึงนั่นเนี่ยขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยราธาพามเนี่ยที่เขามาเป็นพรามณ์แก่เป็นพามณ์รับใช้พระสงฆ์อยู่ในวัดย อ, อยากจะบวชพระเจ้าข่าจะบวชได้เรืออายุ80ดสิปีแล้วนะพระเจ้าขา่เาเขาอยากจะบวชเหรอแต่พระพุทธองค์รู้แล้วว่าพรามณ์คนนี้เป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นพิมีผู้มีบุญบารมีบวชเข้ามาแล้วจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์พระพุทธเจ้ารู้แล้วนะ ท่านก็บอกว่าเอาเขาอยากจะบวชแล้วใครล่ะจะบวชให้เขาบอกวริขานหายากนพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์เลยนะเพียงแค่นั้นอนะ่ะประชุมสงฆ์เลยปัตปาเชตะวันมาประชุมพร้อมกันแล้วก็พระองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายผู้ใดบ้างคิดถึงลำลึกถึงบุญคุณของราธพาม ร, ราธพามได้ทำบุญคุณกับใครบ้างในบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่มา นั่งอยู่ที่นี่ใครระลึกถึงบุญคุณของราตพามได้บ้างราตพามได้ทําบุญคุณกับพวกเธอท่านทั้งหลายองค์ไหนมัง่งพวกเธอระลึกได้ไหม พ, หพระสงฆ์ทั้งหลายเกิดเงียบภาษาลิบุตรนั่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจา้าภาษาลิบุตรนั่งก็โยงปนมมือให้นั่งกระยงซ ะ, ะก่อนปนมือขึ้นพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธองค์ระลึกได้ ว่าราตาพามเคยทำํำคุณูปการให้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าขา เ, เรื่องอะไรสาริบทพระสารีบทุทบอกว่าข้าพระองค์ไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีพอไปบิณฑบาตและหาผู้ใสาบาตรไม่ได้วันนั้นพราหมณ์คนนี้ก็เลยตักบาดของ ข, ข้าพระองค์ข้าวทัพทีหนึ่งพระเจ้าข่าเออนั่นสารีบุท ถ้าอย่างนั้นให้เป็นภาระของเธอนะให้นําพราหมณ์นี่ไปบวชนะได้ไหมได้พระเจ้าข่าเนะนี่ยแะการนานะข้าวเพียงทัพพีหนึ่งภาษาริบุตรยังไม่ลืมนี่ยแะผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญาจอมย่อมระลึกถึงผู้มีอุปกระคุณสําหรับทํำให้กับตน เ, เพราะฉะนั้นเอออยางนั้นภาษาริบุตรกข้าบผมก็จากนั้นท่านก็ไปเอา พ, าพราหมคนนั้นไปบวชนะ ไปสอนนาคไปสอนวิธีการทุกอย่างให้รู้จักวิธีพราหมคนนั้นกับไยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ถึงจะมีอายุมากก็เป็นผู้ตั้งใจสนใจใยใยในการศึกษาจากนั้นภาษาลิบูดบวชให้พอบวชให้แล้วเออทางว่าเราจะเอาพรามณ์อยู่ในชุมชนกลุ่มใหญ่พระสงฆ์กลุ่มใหญ่พราม์ก็อายุแก่แล้วก็คงจะต้วมเตี่ยมคงจะไม่ทันทุคงจะ เ, ออเป็นที่ลาคาญของพระ สงที่ที่มีอายุอย่างน้อยเราควรจะเอาพราหม์ปาาลาตพามไปฝึกอยู่ในชนนบทห่างไกลจากวัดป่าเชตตะวันจากนั้นพระสาริบุตรก็นพาพราหมณ์คนนี้เราออกไปอยู่ในชนชนนบทบ้านนอกจะพอบินเทบารได้ไ ง, ง่ายๆฉันได้ไ ง, ง่ายๆจากนั้นพระสารีบุตรก็สอนวิธี การประพฤติปฏิบัติเรื่องหลักพระธรรมินัยเรื่องจิตตภาวนาจนพราหมณ์คนนั้น่ะจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นพราหมณ์พระษาญี่ปุตรก็นํามากราบพระพุทธเจา้าพระองค์ถามภาษารี่ปุตรเป็นไงลูกศิษย์แก่ของเธอใฝ่ในการศึกษาอยู่เหรือโอ้เขาเป็นผู้ตั้งใจดีมากไปเจ้าค่ะท้าวว่าข้าพระองค์ได้ลูกศิษย์อย่างนี้เนี่ย เป็นร้อยองค์่าพระองค์ก็รับได้เพราะไฟในการศึกษาเมื่อข้าพระองค์สอนอะไรลงไปเขาจะเป็นผู้ฟังและก็เป็นผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นเขาจะไม่ถกไม่เทียงถ้ามีอะไรเขาสงสัยเขาก็ถามถ้าจากนั้นเมื่อเนื้อเมื่ อ, อ, อรู้แล้วเขาก็นาไปปฏิบัติถ้าหากว่าข้าพระองค์ได้ลูกเสด็์อย่างนี้เนี่ยเป็นร้อยองค์่าพระองค์ก็รับได้พระเจ้าข่า พระองคนูนะกนพระสงฆ์ทั้งหลายาผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวไปในทางที่ถูกต้องเหมือนกับท่านชี้ขุมทรัพย์ให้พวกท่านทั้งหลายจะไปโกรธได้ไดอย่างไปโกรธยังไงไม่พอใจได้ยังไงในเมื่อท่านชี้ขุมทรัพย์ให้ในเมื่อเราไปค ด, คดขุมทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็เป็นสอมบัติของตนเองเอเอพอนั้น ราธพามเนี่ยเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาพระองค์จึงได้รับยกย่องประกาศในท่ามกลางสงวานี่แหละดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพราหมคนนี้เนี่ยเป็นผู้เชื่อฟังในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในทำคําสอนของผู้ที่ชี้นําชี้เนี่ยเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย เป็นผู้ไม่ดื้อดึงเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในาศาสนาของเราตถาคตดังนั้นพระองค์ก็ถามวุตควคอนพราม เ, าเธอเธอทําไมเธอเธ อ, อจึงเป็นผู้เชื่อฟัง เ, เป็นผู้ไม่ดื้อดึงพราหมณ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าผู้ที่เป็นที่เป็นพระอุปชาของข้าพระองค์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านก็เจตนาดีท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไร มิถอกกล่าวเหมือนกับเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ข้าพระองค์ก่อเมื่อได้รับคำทำคาสอนแล้วก็ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้รับธรรมได้รับความศักใจจากทำคําสอนของท่านเหมือนกับครูบาอาจารย์เหมือนกับเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้จะไปกโกรธท่านได้อย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือเปรียบเทียบในพุทธศาสนานาะมาในพระไตรปิฎก สำหรับให้พวกเราทั้งท่านท า, นาได้ได้ฟังได้ศึกษานะเพียงข้าวเพียงทัพพีเดียวท่านก็ยังไม่ลืมเพือ่ออะไรเพราะพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมระเลิกถึงบุญคุณผู้มีอุปกรคุณสําหรับเรานี้ก็เหมือนกันในหลวงพรายชินีท่านคุณทํางูทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติออแล้วพวกเราละเลิกไม่ได้เลยเหรอบุญคุณของพระ อ, องค์ ในพระบรมวงศานุวงศ์งสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับคนในชาติในแผ่นดินในชาติไทยของเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทควรจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขนาดพระสาดิบุตรได้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็ยังไม่ลืมบุญคุณของผลาบในหลวงทำคุณูปการให้กับประเทศชาติ ของเราคงมากกว่าข้าวทักพีหนึ่งนะสำหรับพวกเราแต่ละคนนะผลนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเพราะวันพวกนี้เป็นวันที่สิบสองสิงหาทุกคนควรประกอบคุณงามความดีไม่ควรจะทาสิ่งที่มันคิดคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่ควรจะมีควรจะคิดดีทดําดีพูดดีเป็นเครื่องเชิดชูบูชาเพราะพระ อ, องค์ท่านก็อายุทั้ง80กว่า ปีแล้ว12 7 8็14ปีแล้วถ้าว่าเป็นพ่อแม่ปูยป่ย่าตายายของเราอายุถึงขนาดนั้นน่ะพวกเราคิดดูที่ว่าจะอยู่ในสภาพเช่นไรเพราะนั้นพวกเรามีแต่ระลึลกถึงบุญคุณขอให้พระองค์อยูอ่นานเท่านานเป็นอยู่เป็นร่มโพร่รมไรายของปศนิกรจับ ก, กับพวกเราท่านทั้งหลาย นานเท่านานพวกเราก็มีแต่ประกอบคุณงามความดีเพื่อบูชาพระคุณของท่านนะวันที่12สิงหานะขอแจ้งข่าวประกาศให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายนะถ้าผู้ไม่มีปัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดบระลึกไม่ได้เราไม่รู้จะฝากไว้ยังไงเพราะไม่มีปัญญาถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณ อย่างภาษาราบุตรเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาเพียงข้าวทัพพีเดียวยังไม่ลืมนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตนนี้นะ